สรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าบุรุษย่อมสําคัญเบญจขันธ์ใดนี้ว่าของเราเบญจขันธ์นั้นอันบุรุษนั้นย่อมละไปแม้เพราะความตายพุทธ ม, มะมกะผู้เป็นบัณฑิตรู้เห็นโทษนั้นแล้วไม่ควรน้อมไปยึดถือว่าเป็นของเราน น, นคือรู้ตามความเป็นจริงนะรู้ทุกข์รู้โทษรู้ภัยของสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะโดยที่สุดภายนอกก็สูญหายสลายไปไอ้ชีวิตขันห้าอันนี้ก็มีอัน แตกทำลายไปฉะนั้นไม่ควรน้อมไปยึดถือว่าเป็นของเราเพราะไม่ยึดถือว่าเป็นเราไม่ควรยึดถือว่าเป็นอัตตาของเราเพราฉะนั้นถามว่าตามยึดไว้ายังไงก็ตามยึดว่าไม่เที่ยงตามยึดว่าเป็นทุก์ตามยึดว่าเป็นอนัตตาตามยึดว่านั่นอ่ะคือโรคคือฝีคือลูกศรน่ะอันนี้ตามพิจารณาตามเห็นแบบนั้นเอาไว้นั่นแหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ละ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าบุรุษตื่นแล้วย่อมไม่เห็นสิ่งที่มาประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดใครๆก็ไม่เห็นชนอันเป็นที่รักซึ่งตายจากไปแล้วฉันนั้นนะคนที่ตื่นเนี่ยนะฝันหวานทั้งคืนตื่นเช้ามาเนี่ยไอ้ที่ฝันไปไหนหมดอะ่ะไม่เจอแล้วนะคนที่เรารักก็เหมือนกันที่เขาตายไปแล้วเนี่ยนะไปหาที่ไหนอะ่ะนะว่าเรารักพ่อมากออาแล้วพ่อเราไปหาที่ไหนตอนนี้นะถ้าเรารักแม่เรามากนะแล้ว แม่ตายไปแล้วยังไงไปหาที่ไหนอนนรักลูกรักหลานรักอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยที่เสียหายไปเนี่ยจะไปนค้นเอาจากที่ไหนล่ะฟังกันคำว่าสิ่งที่มาประจบด้วยความฝันแม้ฉันใดความว่าสิ่งที่มาประจวบคือสิ่งที่มาปรากฏตั้งมั่นประชุมกันแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสิ่งที่มาประจบด้วยความฝันแม้ฉันใดบุรุษตื่นแล้วย่อมไม่เห็นความว่าบุรุษผู้ฝันเห็นดวงจันทร์ ฝันเห็นดวงอาทิตย์ฝันเห็นทะเลฝันเห็นภูเขาสีนรุฝันเห็นช้างฝันเห็นม้าเห็นรถเห็นคนเดินเท้าเห็นขบวนเสนาเห็นสวนที่น่ารื่นรมเห็นป่าที่น่ารื่นรมเห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมเห็นสะบกกรณีที่น่ารื่นรมเนี่ยนะก็คือฝันสิ่งที่เราฝันเห็นเนี่ยนะครั้นตื่นแล้วก็ไม่เห็นอะไรอะไรฉันใดเพราะฉะนั้นบุรุษที่ตื่นแล้วก็ย่อมไม่เห็นนะสิ่งใดที่พบในเวลาฝันสิ่งนั้นตื่นมาแล้วย่อมไม่เห็นเนี่ยนะ ผลนชนอันเป็นที่รักเนี่ยนะที่ชนอันเป็นที่รักที่เรายึดถือว่าเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวลูกชายลูกสาวมิตรอมาตญาติสาโลหิตคือชนอันเป็นที่รักก็เหมือนกัน พันย่อมไม่เห็นผู้นั้นอ่ะผู้ตายจากไปแล้วบอกชนผู้ตายทํากาละแล้วเรียกว่าผู้จากไปแล้วย่อมไม่เห็นไม่เลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นผู้ตายจากไปแล้วเนี่ยนะนั้นโดยสรุปก็คือบุรุษผู้ตื่นแล้วย่อมไม่เห็นสิ่งที่มาประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดใครใคก็ย่อมไม่เห็นชนอันเป็นที่รักที่ตายจากไปแล้วฉันนั้นนะใคร คนตายไปแล้วนะเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหามาพบปะเจอเจอกันได้ที่น้อยเนี่ยนะจะรา ก, กันขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าเผาเสร็จแล้วว่าได้แต่กระดูกนะันถ้ากระดูกมันแตกสลายปีป๊บปนไปก็เจอกันไม่ได้อีกนั่นแหลนนะชนทั้งหลายที่เห็นกันก็ดีที่ได้ยินชื่อเรียกกันก็ดีชนเหล่านั้นที่จากไปแล้วยังเหลือแต่ชื่อเท่านั้นที่พูดถึงกันอยู่ะนะไอ้ที่เคยเห็นเนี่ยนะก็เคยนะเคยเห็นเคยได้ยินก็เรียกกันนะตอนนี้ก็เหลือแต่ชื่อ บอกว่าชนทั้งหลายที่เห็นกันได้ยินกันเนี่ยที่เห็นก็คือที่เห็นด้วยจักรสุวิญญาณเนี่ยนะเช่นเห็นปู่เห็นย่าเห็นตาเห็นยายเห็นพี่เห็นน้องอ่ะนะคนที่เราเคยเห็นนั่นแหละหรือคนที่ได้ยินได้ยินด้วยโสตะวิญญาณชนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวันนักสัตว์พราหมณแพทย์สูตรเป็นครหัดเป็นบรรพชิตเนี่ยนะที่เรียกชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์เป็นพรามเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อ่ะนะมีชื่อในโลกเนี่ยนะว่านายกนายขอนายงอเป็นต้นเนี่ย อะไรก็ตามเถอะก็รู้เหลือแต่ชื่อเท่านั้นน่ะที่พูดถึงกันอยู่เพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันบุคคล น, นั้นละไปสละไปทิ้งไปหายไปสลายไปมีเหลือแต่ชื่อเท่านั้นเนี่ยนะอย่างเช่นบพระบุรุษของเราเนี่ยก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรเหลือแล้วเหมือนกันตอนที่พูดถึงการอยู่ก็ได้แก่บอกกล่าวเพื่อกล่าวพูดแสดงถแถลงฉะนั้นจึงชื่อว่ายังเหลือแต่ชื่อเท่านั้นแหะ <c oughs> มันโดยสรุปก็ว่าชนทั้งหลายที่เห็นกันที่ได้ยินเรียกชื่อกันเนี่ยนะที่จากไปแล้วอ่ะก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นแหละที่พูดถึงกันตอนเนี้ชนผู้ติดใจในวัตถุที่ถือว่าของเราย่อมไม่ละความโศกความคร่าครวญและความหวงแหนเพราะฉะนั้นมูน้นีทั้งหลายผู้เห็นความปลอดโปร่งละซึ่งความยึดถือได้เที่ยวไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่า ชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ถือว่าเป็นของเราย่อมไม่ละความเศร้าโศกและความคร่ำครวญและห่วงแหนก็ใครที่ยึดถืออะไรมากๆเนี่ยถามว่ามันจะเลิกโศกได้ไหมเอาเลิกไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะจะยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มากอันนะั้นยิ่งยึดถือว่าของเรามากก็ยิ่งต้องโศกต้องร้องไห้ต้องคร่ำครวญต้องห่วงแหนมากอะนะยึดมากหวงแหนมากเอา คำว่าความโศกก็คือความโศกกิริยาที่เศร้าโศกความเป็นผู้เศร้าโศกความที่จิตเศร้าโศกความเศร้าโศกในภายในความเศร้าโศกรอบในภายในความเร่าร้อนในภายในความเร่าร้อนรอบในภายในความตรอมตรมแห่งจิตโทมนัสลูกศรคือความเศร้าโศกของชนผู้ถูกความเสื่อมญาติกระทบนะเช่นจากญาติหรือญาติตายเนี่ยนะความเสื่อมแห่งโภคะ โคะเสียหายไปเนี่ยนะหรือว่าเสื่อมเพราะโรคเสื่อมศีลเสื่อมทิฐิที่ประจบ ก, กับความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบขึ้นอย่างนี้เรียกว่าความเศร้าโศกเนี่ยนะก็โศกเพราะวิปรโยคกับสิ่งอันเป็นที่รักนะต้องจากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็สะอื้นในยมังกันคำว่าความขําครวนเนี่ยนะก็คือความเพอ้อถึงความขําครวนอาการที่เพอ้อถึงอาการที่ข้ามครวนถึง ความเป็นผู้เพอ้อถึงความเป็นผู้คล่ำควนถึงพูดเพอ้อพูดบ่นเพอ้อความบ่นเพอ้อแปลกๆอาการพร่ำเพ้อกิริยาที่พร่ำเพ้อความเป็นผู้พร่ำเพอ้อของชนผู้ถูกความเสือแห่งญาตนะิแห่งโพคาแห่งโรคแห่งศีลแห่งทิฏิกระทบแล้วนะกประจวบกับสิ่งอันเป็นที่รักอย่างใดอย่างหนึ่งประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักนะอันนั้นเรียกว่าความคล่มควน คือความเศร้าโศกอ่ะ น, นะความเศร้าโศกนี้ถ้าจากสังเกตก็คือพวกสัมประโยคทุกข์อ่ะ น, นะหรือความคร่ําควรก็ขร่ําควรกับสิ่งที่ไม่ไปประสบไปพบปะเจอเจอหรือพลาดพลาดจากสิ่งอันไม่เป็นที่รักอ่ะ น, นะอันนั้นแหละก็ทําให้เกิดความเศร้าโศกเกิดความขรําควรร้องให้ที่เป็นอย่างนี้นี่นะก็ถ้ายึดถือในสิ่งใดว่าเป็นของเราอ่ะ น, นะถ้ายึดมากถามว่าจะตรณีหรือจะให้ทานอ่ะ ถ้ายึดนะโดยมากนะก็ตรนี่ท่านก็เลยตระนี่เช่นยึดถือที่อยู่ก็ตรนีที่อยู่ใช่ไหมยึดถือตระกูลก็ตรนีตระกูลยึดถือลาบตรนีลาบตนีวันนะตระนีธรรมะเนี่ยนะความตรนีเห็นปานนี้อาการที่ตระนีความเป็นผู้ประพฤติตนีความเป็นผู้ปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหู่เจ็บร้อนในการให้ความที่จิตอันใครๆเชื่อถือไม่ได้ในการให้นี่เรียกว่าความตระนี อีกอย่างหนึ่งความตระหีขันก็ดีตระหนี่ธาตุก็ดีตระหนีอายตนะก็ดีเรียกว่าความตระหนีความมุ่งจะเอาก็เรียกว่าความตระหนีตันหาเรียกว่าความติดใจก็คือความกำหนัดความกำหนัดกล้านะถ้าหากว่าติดใจแล้วก็เกิดความเศร้าโศกความครัมครวนความตระหนี่หวงแหน่นะคําว่าความยึดถือว่าเป็นของเราก็ยึดถือด้วยอํานาจตันหากับทิฏฐิ ชนทั้งหลายแม้ผู้มีความหวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่ยึดถือว่าของเราก็ย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกเมื่อเขากําลังแย่งชิงเอาบ้างเมื่อเขาแย่งชิงเอาไปแล้วบ้างเป็นผู้มีความหวาดระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราบ้างย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกเมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรป ร, ปรวนไปบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแล้วบ้าง แม้ผู้มีความหวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่ถือว่าของเราย่อมคล่ำครวนคือย่อมคล่ำครวนเมื่อเขากำลังแย่งชิงเอาบ้างเมื่อเขาแย่งชิงเอาไปแล้วบ้างแม้เป็นผู้มีความหวาดระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุที่ถือว่าของเราย่อมคร่ำครวนคือย่อมคร่ำครวนเมื่อวัตถุนั้นกำลังแปรปรวนไปบ้างเมื่อวัตถุนั้นอะแปรปรวนไปแล้วบ้างก็เดือดร้อนเพราะเขาชิงอะนะ เดือร้อนเพราะว่าสิ่งที่เรายึดก่อไม่เที่ยงอีกนั่นแหละชนทั้งหลายย่อมรักษาคุ้มครองป้องกันวัตถุที่ยึดถือว่าของเราอนะด้วยอำนาจตันหาเนี่ยนะห่วงแหนคือตรนนีในวัตถุที่ยึดถือว่าของเราย่อมเศร้าโศกคือไม่ละไม่สละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นไม่ทำให้มีซึ่งความเศร้าโศกความคล่่าครวนความห่วงแหนความติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าของเราเพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละความเศราย่อมไม่ละความเศร้าโศกความคร่ําครวญและความหวงแหน น, นะก็อา น, นะถ้ายึดมากก็โศกมากอะถ้ายึดมากก็คร่ําครวญถึงสิ่งนั้นมากเช่นเสียเงินเสียทองไปเยอะนะขอมาได้ยินกันบ่นกันเรื่อยนะถ้าอะไรเพราะว่ามันหวงแหนอ่ยนะ พูดถึงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็นึกถึงอีกเลยใช่ไหมเพราเสียไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นึกถึงเดี๋ยวก็อะไรอาวณ์กันเสียดายกันอย่างเงี้แหละก็เลยเรียกว่าโศกถึงสิ่งนั้นแหละแล้วก็คร่ำครวญถึงสิ่งนั้นแล้วไอ้สิ่งที่มีอยู่ก็ตระหนียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดีกันไหะเรียกว่าเสียใจเพราะไอ้สิ่งที่มันเสียไปแล้วและไอ้สิ่งที่มีอยู่ก็ตระหนีขึ้นตระหนีขึ้นตระหนีขึ้นเนี่ยแหละเป็นอย่างเงี้เพราะอะไรเพราะความยึดถือนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะฟังธรรมระด คือบางคนเนี่ยบอกฟังเรื่องไม่ยึดไม่ถือเสร็จแล้วก็เออเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องรีบเอาไปใช้ให้หมดเลยนะก็เลยไปหาซื้อเหลากินอย่างางั้นก็มีอีกเพราะเพราะไปสําคัญว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหมก็เลยเรียบเที่ยวให้หมดนะคือธรรมะระดับนี้เป็นธรรมะระดับสูงที่เป็นไปเพื่อละคลายปล่อยวางเพราะฉะนั้นศีลธรรมจริยธรรมเบื้องต้นต้องแน่นต้องดีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพอมาฟังระดับนี้ก็เลยเออเนี่ย เพราะฉะนั้นชันจะต้องรีบกินก่อนจะต้องรีบเที่ยวก่อนจะต้องรีบอะไรก่อนนั่นนะไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะคำว่าเพราะฉะนั้นมุนีทั้งหลายผู้เห็นความปลอดโปรง่งละซึ่งความยึดถือได้แล้วก็เที่ยวไปเนี่ยนะส่วนมุนีเนี่ยนะผู้เห็นความปลอดโปรง่งคําว่าเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นคือเพราะกัณะนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะนิทานนั้นคือเห็นโทษในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเรา คำว่าเพราะฉะนั้นก็คือเพราะเห็นโทษในการยึดถือในวัตถุทั้งหลายที่ทว่าเป็นของเราอะนะทั้งวัตถุที่เรียกว่าภาย น, ายนอกร่างกายภายในร่างกายก็ตามมุนีก็คือผู้มียานเรียกว่าโมนะผู้มีปัญญาเนี่ยนะอันนั้นคำว่ายานโมนะคือปัญญาความรู้ทั่วเป็นต้นเนี่ยความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยยานคือปัญญานั้นชื่อว่าเป็นมุนีผู้ถึงแล้วซึ่งยานชื่อว่าโมนะ คือโมเนยธรรมธรรมะที่ทําให้เป็นมุนีเนี่ยมี3ประการคือโมเนยธรรมทางกายโมเนยธรรมทางวาจาแล้วก็โมเนยธรรมทางใจโมเนยธรรมทางกายเป็นฉไหนก็คือการละกายะทุจริตเนี่ยนะการบําเพ็ญกายสุดจริตยานมีกายเป็นอารมณ์การกําหนดรู้กายเนี่ยนะมักอันสองรคต ด, ด้วยปริญญาการละฉันทราคะในกายนี้เรียกว่าโมเนยธรรมทางกาย ส่วนโมเนยธรรมทางวาจาก็คือละวจีทุจริตเนี่ยนะบำเพ็ญวจีสุจริตยานมีกายเป็นอารมณ์การทําปริญญาในวาจาอริยมรรคอันสองรัด้วยปริญญาการละฉันทราคะในวาจาความดับแห่งวจีสังขารความบรรลุทุติยชาญชื่อว่าโมเนยธรรมทางวาจาส่วนโมเนยธรรมทางใจก็คือการละมโนทุจริตสาม บำเพ็ญมนโนสุจริตส่สุจริตสจิตที่มีญาณเป็นอารมณ์การทำปริญญาในจิตมักอันสองรักด้วยปริญญาการละฉันทราคะในจิตนั้นความดับจิตตะสังขารการบรรลุสัญญาเวทายิตานิโรธอันนี้ชื่อว่าโมเนยธรรมทางจิตอันโดยสรุปก็ว่าพระ อ, องค์ตรัสสรุปในที่เรียกว่าผู้มีโมเนยธรรมทางกายวาจาจิตนี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวมุนีผู้เป็นมุนีทางกาย เป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจอ่นนะก็คือละความชั่วทางกายวาจาใจบําเพ็ญความดีทางกายทางวาจาและทางใจอ่า น, นะญาณที่มีกายวาจาใจเป็นอารมณ์เป็นผู้ที่ทําปริญญาในกายวาจาและใจแลนะทำปริญญาจนอริยมรรคเกิดขึ้นตัดฉั้นทราคะในกายวาจาและใจอ่นนะความดับกายด้วย ฌ า, านที่4ี่นะคือดับลมหายใจด้วยฌานที่สี่ดับวาจาด้วยทุติยฌานดับจิตด้วยการบรลุสัญญาเวทายิตานิโรธอย่างเนี้ยผู้ที่มีคุณธรรมอย่างงี้ว่าเป็นผู้พร้อมด้วยธรรมที่ทําให้เป็นมุนีเป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวมุนีผู้เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจหาอาสวะมิได้ว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะที่ทําให้เป็นมุนี เป็นผู้มีบาปอันล้างแล้วเนี่ยนะจนถึงว่าเป็นผู้ก้าวล่วงธรรมะเป็นเครื่องข้องเพียงดังตาข่ายดำรงอยู่เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วบุคคลนั้นแหละเรียกว่าเป็นมุนีนะเป็นผู้ที่ละความชั่วบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างบริบูรณ์